namo tassa bhagavato arahato samma s a m t a s a bhagavato arahato s s a m m t a s a b h a g a ต a t o arahato s a ผูชาจะปูชนิยานังเอตามังคะลโมตมันเตมเจรรญสุกปี่นองญาติโยมอาตมาขออนุโมทนาโกศลเจตนาท่านอาจารย์มหาธีรนาฏภูภผาสง ภาคณะสค์และลูกิธิ์พี่น้องญาติยอมที่เป็นอุบาสกุบาสิกามาทำพิธีสัมมาคารวะอัตมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามลักษณะการอย่างนี้คือพวกเราทำตามหน้าที่พุทธบริษัท คารวบบูชาในพุทธกุลธรรมกุลสังกุลจึงเป็นหน้าอันหมอตนาสาถุกับท่านผู้เป็นหัวหน้าท่านพระาจารย์ธีรนาถที่นำพี่น้องญาติโยมลูกหลานมาทําพิธีเพื่อเกิดความเป็บนบุญพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานทำให้พระพุทธเจ้า จึงตรัสเทศนาในพุทธคนที่พวกเราสวดพวกเราสาธยายบทที่ว่าสัตถาเทวมนุษย์สานางพุิทอพระกวาติความหมายตรงนี้ทบทวนอีกว่าระาหนึ่งถ้าแปลเป็นภาษาพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าเป็นาศาสตราเอก สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานตรงนี้นะพวกเราถ้าเผื่อไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อหรอกว่าเทวบทุทเทวดาเมีจริง สวรรค์มีจริงเทพบุตรเทวดามีจริงพระอินทร์พระพรหมมีจริงตลอดถึงเข้าสู่มรรคผลนิพพานพวกเราจะไม่เชื่อแต่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาทำไมจึงยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาสอนเทวดาและมนุษย์ ก็เพราะใจของมนุษย์คนเรานี่ยนะถ้าเผื่อพวกเราฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเทพบุตรเทวดามีจริงเสยวยความเป็นทิบเป็นของจริงความจริงอันนี้ พระตเจ้าเป็นศาสตราเอกสอนโลกกระเพราะพระปัญญาญาณของประพุทธเจ้าเพราะพระพุทธองค์เป็นผู้มีหูทิพย์ฟังเสียงเ ท, ท, เทวดาได้ยินฟังได้เป็นผู้มีตาทิพย์มองเห็นเ ท, ท, เทวดาได้ พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเชื่อเถอะตรงนี้เป็นไปได้ยังไงเอาอยากจะให้พวกเราฟังเหตุฟังผลตรงนี้ยกตัวอย่างเป็นคติสักหน่อยพวกเราทุกคนนั่งอยู่นี่เคยนอนฝันใช่หรือเปล่าตอบในใจทุกคนเคยนอนฝันกันดังนั้น ในขณะที่ฝันน่นนะกระตนตัวรูปร่างกายของพวกเราดีๆนี่แหละไม่ได้สงสัยเลยเป็นรูปร่างกายของเราเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ในขณะที่ฝันที่เนี่ยในขณนะที่นอนความจริงแล้วรูปร่างกายจริงๆมันนอนอยู่ที่นอน นั่นเห็นไหมในขณะที่ฝันมันไม่ได้อยู่ที่นอนตรงนี้แหละจะเรียกว่ากายทิพย์เป็นเครื่องปรากฏออกจากจิตใจที่เป็นผู้มีบุญมีกุศลแล้วยวกายทิพย์ และฉะนั้นนะเชื่อเถอะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานกายทิพย์ลักษณะนั้นมันเกิดจากใจพระพุทธเจ้าสอนว่าใจของพวกเราหรือใจมนุษย์ทั้งหลายนี่นะมันแจ่ไม่เป็นมันเท่าไม่เป็นแจ่ไม่เป็นเก่งไหม พี่น้องญาติโยมอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนั่งอยู่ที่นี่หลายท่านหลายคนอายุขนาดนั้นชาวบ้านก็เรียกคนเท่าคนแก่แล้วแต่ใจที่เนี่ยมันไม่ปรากฏเป็นความเท่าความแก่เหมือนสขานร่างกายเลยไม่เฉพาะคนเท่าคนแก่นะจิตใจที่ว่าแก่ไม่เป็น ทกคนที่นั่งอยู่นี่หรือมันนี้นั่งอยู่นี่ขึ้นชื่อว่าจิตใจแล้วเชื่อเถอะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าแก่ไม่เป็นเท่าไม่เป็นแก่ไม่เป็นนอกจากแก่ไม่เป็นดวงจิตดวงใจดวงนี้ก็ตายไม่เป็นที่นี่พี่น้องญาติยมพี่น้องลูกหลานใจของมนุษย์คนเราเนี่ย ตายไม่เป็นไม่เหมือนความนึกความคิดบางคนหรือบางหมู่บางคณนนะที่เขาว่าเกิดขึ้นมาชาติเดียวตายแล้วแล้วไปป่าโดพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกดานเขาไปเข้าใจมาจากที่ไหนล่ะจริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านะั่นน่ะสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือมาในนั่งฟังอยู่ที่นี่ว่าดวงจิตดวงใจดวงนี้แก่ไม่เป็นเท่าไม่เป็นแก่ไม่เป็นและก็ตายไม่เป็นที่พวกเราเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังว่าคนนั้นตายคนนี้ตายสัตว์นั้นตัวนั้นตายสัตว์ตัวนี้ตายความจริงจิตใจไม่ได้ตายจิตใจมันออกจากล่าง ภาษาทางธรรมจุติเคลื่อนออกเมื่อจิตใจจุติเคลื่อนออกจากร่างแบภาษาชาวบ้านภาษาไทยว่าคนนั่นตายคนนี้ตายสัตว์นั่นตายสัตว์นี่ตายความจริงแล้วใจไม่ได้ตายจุติเคลื่อนออกนี้ตรงนี้นี่เองพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานในขณะที่ <c oughs> พวกเราฝันปรากฏเป็นกายทิพย์ถ้าเผื่อพวกเราเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะองค์พระอาจารย์มห า, าธีรนาท่านสอนพี่น้องญาติยมสอนพี่น้องลูกหลานให้รู้จักการดำบุญให้รู้จักการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรม ให้รู้จักการก้าวัดนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานนั่งสมาธิภาวนาพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานตรงนี้นี่เอง <c oughs> ใจที่ปัญแจไม่เป็นตายไม่เป็นปรากฏเป็นกายทิพย์อานิสงส์จากการรักษาศีล จะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยสิบเจ็ดหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านพากันงดเว้นจากความชั่วรักษาศีลเว้นจากความชั่วปลูกความสานึกย้ำตรงนี้ ให้ทานเข้าใจว่าคําว่ารักษาศีลไปวันรักษาศีลเนื้อรักษาศีลเธอเอาพรรษานี้รักษาศีลรักษาศีลความจริงแล้ว่รักษาศีลนันไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะคือรักษาตัวของพวกเรารักษารูปร่างกายของพวกเรารักษาวาจาของพวกเรารักษาจิตใจของพวกเราที่เป็นสมบัติมนุษย์มนุษย์สมบัติ รักษาไว้ไม่ให้ไปทำความชั่วทำความชั่วสินห้าแต่และข้อแต่และข้อนั่นนะความจริงแล้วอาจารย์มหาศิลนาถท่า น, นเทศกสอนไม่ใช่เทศสอนเหมือนองค์หลวงปู่ธรรมดานะท่านมีสถานีวิทยุฟังอยู่ใกล้ก็ได้ยินเสียงเทศศนาธรรมท่าน ฟังอยูย่ไกลก็ได้ยินเสียงเทศนาธรรมทันโปกความสำนึกตรงนี้อยากจะให้พวกเราเห็นคุณค่าว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี่เป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าจีดจมนุษยปฏิลาโภจีดฉังธรรมสวัณัง เจดฉางมัจจาจีวิตังเจดโฉพุทธานุปาโทเราเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี้ได้มาเจอมาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี้พวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมเทศน า, า, า, า, า, าคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์พระอาจารย์มหาธิระนาท่านเทศท่านสอนไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะ คุณค่าความเป็นสมบัติลำคาของจีวิตความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมา <c oughs> มีชีวิตความเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันอันเนี้ยโชคลาภอย่างประเสริฐความจริงและก็ว่าโชคลาภเป็นผู้มีโชคมีลาภคนนั้นมีโชคมีลาภพวกเราไปมุ่งเอาเฉพาะที่ ว่าคนนั้นมีชื่อมีเสียงมีเกียรติมียศร่ำรวยก็มีโชคมีลาภเจิงๆแล้วตรงนั้นน่ะมันเกิดจากความเป็นมนุษย์ก่อนถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โชคลาภลักษณะนั้นก็ไม่ปรากฏในรูปร่างของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนฉะนั้นไอ้โชคลาภอย่างเลิศอย่างประเสริฐเชื่อเถอดพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน คือการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จิีโติฉมนุษยปฏิลาโภยอย่างที่ว่าเิตฉังมัจจายีวิตังพวกเราได้มีอายุยืนยาวนานมากระดาเ น, นี้ผ่านการร่มการตายมาเิตฉังธรรมสวนังได้ฟังเทศฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่องค์พระอาจารย์มหาศีลานาดสอนพวกเรา ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะสอนปลูกความสำนึกให้พวกเราทุกท่านทุกคนจะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือมาเน้นนั่งฟังอยู่ที่นี่เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าชาตินี้พบนี้ชาตินี้การเวียนว่ายตายเกิดตามพบตามชาติมันมีการเวียนว่ายตายเกิดตามพบตามชาติ พบนี่ชาตินี้พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์บุญพามาเกิดเราบุญมีจริงเคอบุญพาพวกเรามาเกิดอย่าไปดูที่อื่นนะรับว่าบุญว่าบาปว่าบาป ว, ว่าบุญอย่าไปดูที่อื่นจะไปเห็นที่อื่นให้เห็นจากตัวของมนุษย์คนเราเห็นจากตัวของพวกเราเสก่อนตัวบุญก็คือตัวของพวกเราทุกท่านทุกคน บุญมากบุญน้อยพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เป็นร้อยสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยคนรูปร่างเหมือนกันไหมเอาลักษณะจิยรยามนรษา์เหมือนกันไหมทกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวว่าไม่เหมือนไม่เหมือนตรงนี้ยังไงพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลาน อานิสงส์การเว้นจากความชั่วรักษาสินห้าไม่เท่ากันบางคนถ้ารักษาสินห้าได้ดีเขาเกิดขึ้นมาเจิตใจของเขามีความแจ่มใสมีความผ่องใสเกิดขึ้นมาเป็นผู้หญิงสวยงาม ผู้ชายกระรปรหล่อสวยงามเพราะง้นเวทจากความชั่วทำให้ใจแจ่มใสผ่องใสแต่ยังไม่บริสุทธิ์นะถ้าเจีใจบริสุทธิ์จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจิตใจดวงนั้นจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริเจ้าสาวกสาวิกา สำหรับพวกเรายังเวียนไหวตายเกิดเชื่อเถอะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานว่าบุญมีจริงบาปเีจงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อเถอะบาปมันเป็นยังไงคือทุกอย่างที่เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเกิดในสิ่ง ปรากฏขึ้นมาในรูปร่างของแตล่ตละคนแต่ละคนแต่ละคนนั่นนะ่ะสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราไม่ต้องการพวกเราไม่ปราถนาอย่างความทุกข์ความยากลาบากกากรรมหูหนวกตาบอดแขนกุดขาด้วนอะไรทำนองนี้ไม่มีใครต้องการแต่ทำไมเกิดขึ้นมาได้เอา้ามีลักษณะนั้นได้นี่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าบาปของเขา กำความชั่วจากการแสดงออกการกระทาของเขาในอดีตชาติฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนนั่งอยู่ที่นี่รูปสมบัติไม่เสมอเหมือนกันบางคนเป็นคนสวยคนงามบางคนก็นเป็นชีไลยชิเล่อย่าไปโทษอันอื่นนะ พอทุกคนปราถนาเกิดขึ้นมาเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติเนี่ยต้องการรูปสวยรูปงามอายุยืนยาวนานปราจะจากโลกภัยปราจนาลั ก, ลกษณะนี้ด้วยกันดังนั้นแต่แล้วพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน <c oughs> ทำไมไม่สมเจตนาของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเพราะเหตุนี้นี่เองที่ว่า การรักษาศีลไม่สม่ำเสมอรักษาศีลไม่บริสุทธิ์ดีตามเจตนาที่พระพุทธเจ้าเทศนาสอนว่ามนุษย์คนเหล่าเนี่ยให้ละเว้นความชั่วศีลห้ามีอะไรทบทวนอีกทีหนึ่งเอาการฆ่าตั้งแต่มนุษย์ ถ้าเผื่อเป็นไปได้แม้สัตว์เดรัจฉานมดตัวแดงแมงตัวเล็กถ้าเผื่อเป็นไปได้จิตใจจะแจ่มใสผ่องใสจิตใจจะดีลักษณะมีความรักความเมตตาในชีวิตเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองและสัตว์อื่นมีความสำเนึกลักษะเนี่ย กลายเป็นจิตใจที่มีคุณธรรมคือความดีของใจอย่างข้อที่สองลักขโมยลักเิงวิ่งราวป้นตดมจมสีร้องพิจนาพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานมันมีได้ยังไงมีได้เป็นได้ทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่พวกเราได้เห็นดูข่าวฟังข่าว นี่ความรุนแรงเรวลวไล่เกิดจากกิเลสเกิดจากตัณหาห น, น่าท่านั้นเจิตใจที่มีกิเลสจิตใจที่มีตัณหาเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้เห็นทุกโทษในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นบาปแล้วจะได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่า ละเวนจากขวมช่ม่วมันเป็นบุญฉะนั้นการรักการขโมยรักจริงวิ่งดาวโป๊ะรมโจมตีแต่ละอย่างแต่ละอย่างข้อหนึ่งข้อสองเป็นของที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นโทษทำแล้วมันเป็นบาปข้อที่สามผิดจารียดประเพณีสามีภรรยาพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลาน ยกนี่สมัยนี่เรื่องลักษณะของสินที่จะให้ผิดจารีตประเพณีสามีภรรยานั่ยนะสินสินสับความหมายตรงนี้มีในหมายก็ว่าจะให้พวกเราฟังแล้วเฉยไม่ได้นำมาคิด หรือเข้าใจแบบไม่เลึกซึ่งในเหตุในผลที่พระพุทธเจ้าสอนว่าการผิดจารีดประเพณีสามีประยาเพียงแค่นั้นเพียงแค่นั้นยังไม่พอเหตุผลเหตุผลศีลตรงนี้ท่านว่าคือความเรียบร้อยศีลคือความเรียบร้อยน่นนะ กายเรียบร้อยหมายถึงการแต่งตัวแต่งตัวเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดทำคือความงามความเรียบร้อยแต่งเพื่อให้เกิดความงามดูทีการแต่งตัวทุกวันเนี่ยเรียบร้อยไหมโดยเฉพาะวัยน้องวัยหนุ่มวัยลูกวัยหลาน ถ้าเราเอาลักษณะของศีลของธรรมมาเป็นเครื่องวัดพฤติกรรมการกระทำความประพฤติมันจะเกิดความตรวจสังเวชกลักวกลัวพวกเราจะเข้าใจไม่ใช่ของง่ายนะเพราะความเป็นจริงเจตใจของมนุษย์คนเราเป็นสามัญชนเป็นปุถุชน ในจิตใจมีกิเลสมีตัณหาถ่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งเพื่ออวดอะไรเออแต่งตัวเพื่ออวดอะไรอวดกิเลสอวดตัณหาโดยเฉพาะกามตัณหาอารมณ์เพศถ้าเป็นลักษณะนี้จิตใจผู้มีกิเลสจิตใจผู้มีตัณหาจะมีจีคอนมันอดใจได้เอาแต่งตัวลักษณะนั้น ไปไหนมาไหนไม่ได้คำหนึ่งว่าจะเกิดทุกเกิดโทษเกิดเพชเกิดภัยจากกิริยามานัยาตจากการแสดงออกการกระทำของเขาการกระทำของเราฉะนั้น่ะความเรียบร้อยกายเรียบร้อยศีลที่พระพุทธเจ้าสอน จึงเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมวลหมู่มนุษย์คนเราทุกท่านทุกคนทนั้นเน้นหนักตรงนี้อยากจะให้พวกเราเห็นคุณค่าคาว่าศีลธรรมศีลธรรมเห็นคุณค่าคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะองค์พระอาจารย์มหาธิรนาถที่ท่านเทศท่านสอนห้ความรักความเมตตาความยังสอนความสามงสารพี่น้องญาติโยมนะั่นนะ จังข้อที่สี่พูดโกหกไม่มีความซื่อสัตย์จังข้อที่ห้าที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ดื่มสุราเมลัยกัญชา ย, ยาสิ่นโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ยาไอยาบ้า พวกเราดูข่าวฟังข่าวมาเจยเหลือโดยจะเพาะสารยาบ้านี่ยนะชื่อมันก็บอกกูเรีวบ้ายาบ้าจะไปซื้อมากินมาเสพทำไมขนาดเล่าสุราเนี่ยถ้าพุทธเจ้ายัางห้ามแล้วเลดเดดไม่รุนแรงเลวไล่เหมือนยาบ้า พี่น้องญาติโยมฟังเธอพิจารณาเถอะถ้าเดิมถ้าเสพเข้าไปแล้วมันไปทําลายความดีของมนุษย์คนเราคือไปทําลายสติเดิมน้อยเสพน้อยทําลายสติเสียสติน้อยตรงๆก็คือเป็นบาน้อยนั่นเองถ้าเสียสติมากเเนี่ยมันก็เป็นบามาก ฉะนั้นสาเหตุเหตุผลตรงนี้พวกเราชาวพุอยาฟังเฉยเฉยเถอะฟังแล้วนําไปพิจิตรพิจารณาในเหตุในผลเถอดตรงนี้โดยเฉพาะดวงจิตดวงใจของเราเนี่นะพบหน้าชาติหน้ามีอีกแน่นอนถ้าเผื่อพวกเราไม่เว้นจากความชั่วไม่เว้นจากความเป็นบาปสิเนี่ย เจตใจที่มันตายไม่เป็นมันจะหลไม่เป็นพบหน้าชันหน้าผลความเป็นบาปนั่นน่ะพวกเราเคยได้ยินแบบภาษาไทยๆว่าอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเดอ้ออย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเดอ้อข้อหมายหมายว่าไงนั่นกงจกักรปากดูศสีสาก ข, ของเปรตหมุนอยู่งั้นน่ะ ปาโตปินองยาโยมปินองลูกหลานด้ามกงจากเหมือนด้ามกดน้ำด้ามคันลมปากสีสามันหมนุนเลือดไหลอากจะเจ็บขนาดไหนทนทุกทรมานขนาดไหนถ้าเป็นลักษณะนั้นเพียงแค่มดตัวแดงเมียงตัวเล็กมาไตมากัดมาตอม ศีษาพวกเราก็เจ็บลำคาญแล้วถึงกระดามกงจากปากศีษาหมุนจะขนาดไหนสิเนี่ยถ้าถึงตรงนั้นเขาจะรู้ตัวว่าโอ้ยผลบาปผมกรรมมันเป็นอย่างนี้ทนทุกข์ทรมานพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานแต่ไปเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามในสิ่งที่เป็นโทษกลับยินดีพอใจ เห็นเป็นดอกบัวของสวยของงามเคยเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามและไปะยินดีพอใจตัวอย่างการดื่มเหล้ากระชายาสิ่งยาไอยาออยาบ้าอะไรต่ออะไรนี่นะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานนำไปพิจารณาเถอะเพราะใจมนุษย์คนเรานี่มันตายไม่เป็นถ้าเป็นผลจากการกระทำความชั่ว พวกเราเชื่อไหมว่าที่พระพุทธเจ้าว่าผลของความเป็นบาปไปอบรรยายภมพทั้งสี่อบรรยายทั้ง 4. อบรรยายภมพทั้งสี่มีอะไรหนึ่งสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉาโนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสองอสุรกายโยเป็นสัตว์อสุรกายสเปตโตอร์เป็นเปเตสเนรยะโกสัตว์นรก ส่วนสัตว์นรกเป็นเปรต เ, เป็นผีอสุรกายพวกเรามองไม่เห็นพวกเราจะสงสัยอันนี้ส่วนสัตว์เดรัจฉานพวกเราไม่สงสัยแล้วละ่ะเพราะพวกเราเห็นเพราะมันสาตว์เดรัจฉานมันอยู่กับเราส่วนเป็นเปรตอสุรกายสาตว์นรกนั่นนะ่ะก็บอกแล้วอย่างไงว่าใจที่เรานอนฝันน่นนะมันแต่แดงความเป็นทิพ ในทางที่ดี <c oughs> มันแสดงความเป็นทิพยในทางที่ไม่ดีผลของบาปมันจะเป็นเปดเป็นผีเป็นสัตว์นรกในขณะที่ออกจากร่างไปแล้วนะนะั่นน่ะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานฉะนั้นในสิ่งที่คุ้มครองปกป้องรักษาพวกเรานะนะั่นน่ะโดยเฉพาะคุ้มครองปกป้องรักษาจิตใจ ศีลทานทานศีลภาวนาฟังพระธรรมเทศนาในขณะนี้ให้เกิดความเป็นบุญบุญคือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ภาษาพวกเราก็คือความโลมีความฉลาดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ความดีมีจริงความชั่วมีจริงความผิดมีจริงความถูกมีจริงความรู้ลักษณะนี้เหตุผลเป็นความรู้ที่สมบูรณ์พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานความรู้ของจิตใจพวกเราเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี่เป็นมโนสมบัติเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์สมบัติของความเป็นมนุษย์โูปสมบัติ ก็คือรูปร่างกายของพวกเราวาจีสมบัติวาจาคํำพูดของพวกเรามโนสมบัติคือดวงจิตดวงใจของพวกเรามีความโลภมีสติมีปัญญาสามารถที่จะเลือกเฟ้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าห้ามเลือกเฟ้นได้จากสิ่งที่เป็นโทษอย่างอาจารย์มหาจินนาถเทศสอน ออกตามสถานีวิทยุของท่านพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานโภมใจเถอะพวกเราเชื่อพวกเราฟังพวกเราปฏิบัติเราจะเห็นคุณค่าจากการฟังเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วเราจะรักษาสมบัติโรปสมบัติวิจีสมบัติมโนสมบัติของพวกเราไม่ให้ไปทํำขโมชั่วศีลห้ารมศีลทำศีลรมเนี่ย เป็นเครื่องวัดความปิดความถูกทรรมหมายตรงกุศล ร, รมศีลประชาชนชาวบ้านกระศีลห้าอย่างที่ว่าให้ฟังศีลธรรมตรงนี้แหละเมื่อพวกเราปฏิบัติพวกเรารักษาคุ้มครองปกป้องรักษาพวกเราไม่ตกไปในที่ชั่ว ไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรเป็นผีตกนรกอเวจี v G, เพราะอานิสงทานสินภาวนานี่แหละฉะนั้นอ่ะแท่จนาธรรมมาถึงตรงนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าพอจำควรตรัวหัวข้อใจขวว่าวันนี้ท่านอาจารย์มหาจิรนาฏภูภาสูง นำพระสงฆ์องค์เจ้านำพี่น้องญาติโยมมาทำวัดกาลาวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจึงว่าเพื่อให้เกิดความเป็นบุญเกิดความเป็นกุศลวาทนาบารมีความดีจึงว่าวันนี้ขออนโมตนาสาธุกับท่านอาจารย์มหาเถรนัดอนโมตนาสาธุกับพี่น้องญาติโยมผู้มีกุศลและเจตนามาร่วมทำบุญกับท่าน ท้ายที่สุดนี่อาตมาขออัญเชิญเอากุลพระเียรัตนไตรคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆารัตนะจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกด่าในให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยแล้วปราสนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงสมควมปราศนาโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกอง์ทุกคนเธอ กราบขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อถวายพระป่าเจ้าค่ะตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะนโมตัสสะภาคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ ตาสะนามตัสสะภาคาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมายังพันเตฟั่งสกุรจิวารานิสัปริวารานิีิกุสังคะสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตทิ่คุสังโคอิมานิปังสกุระจีวราณิสัปปาริวราณิปฏิคันหาตุอมหากัง ทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าป่าปังสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงค์ ขอพระพิสุสงฆ์จงรับรรซึ่งภาพป่าบังสกุลและจีวระะวกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้นนของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดการและนานเพินส า, นานนดานานุ เกอาวุโสสังโฆจานาตัวยังปรมะพาโกเทระชาปะปูนาเทวะเซซาปากาหัมกาปะะวุณาตูปิคูจ่าามเนราจากะหัตทายจยธาสุขังปริพุญจันโตต้นพระป่ากองพระป่าทั้งหมดเจ็ดหมืนสานดร้อเทเนี อาตมารับแล้วจะได้มอบประวายร่วมสร้างเจดีของอผู้ผาสูงกับพระอาจารย์มหาเทรนาถพี่น้องญาโยมทุกคนรับทราบนโมทนาสามอบปวัยยาพิจารณของดานร่วมสร้างเจดีร่วมสร้างเจดีเด้ดอ ไหว้พระพร้อมกันค่ะยังยังยางยยังไม่ได้ถวายอ๋อ่ย่อไปพี่น้องญาติยอนพี่น้องลูกหลานองเจดีสร้างถวายหลวงตามหาบัว อยู่ด้านนั่นทางด้านภูเขานั่นอพี่น้องญาติโยมใครจะไปกาศพระเกิดเป็นบุญก่อนเชิญเชิญเถอะว่าหลวงพ่อสร้างเจดีย์จะสร้าง <laughs> เหมือนอาจารย์มหาเจ้น่าหรือเปล่า <laughs> หลวงพ่อสร้างอะไรสร้างแบบง่ายๆสร้างแบบสบายสบาย <laughs> ไม่ลงทุนอะไรมาก <laughs> เอาให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานทุกคนนะไปร่วมการไปไปไปกาบทยอยไปกราบนอเอาฟังอาจารย์มหาจีนาที่นี่บอกนะท่านจะว่าไงเจดีย์นี้ไม่ใช่เจดีย์ธรรมดาญาติโยมมีอธิษฐานพระแม่ครูอาจารย์ที่ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่อุทัยทำไว้เป็นกุฏิหลวงตาเดิม ที่นั่งของตาเทศทุกอย่างเป็นของโลตาเองทั้งหมดทางจงกรมกุฏิที่นั่งแล้วก็รูปที่เป็นไฟเบอร์กรานของลงตาท่านมทั้พระแม่กุญจาร์ท่านได้ทําเอาไว้เราจะได้ไปคารวะที่นั่นสร้างเจดีย์กับอาจารย์มหาเจ้าน่ร่วมร่วมร่วมถอดถอดถอดร่วมร่วมไปไปไปเท่ายร่ไปไปายไป ลองนี่หลวงพ่อแม่กุญแจไม่เอาทั้งอย่างเลยหมดเลยบางปัจจัยโยมน้องเอาจะกดกับผ้านี่เราผ้าบางตะกุดนี่กับกุดนี่เนี่ยหลวงหลวงพ่อเอาอันเนี้ยส่วนปัจจัยไปร่วมสร้างเจดีย์เอาเอาเอาเอาไปไปนี่นี่เป็นบางที่นี้ปัจจัยนั่นอะไรเนี่ยเป็นอะไร มันเป็นอาหารหรือเปล่านะนะความมันอยู่ในกล่องมันเป็นอาหารเป็นเครื่องใช้ใเป็นปนา n a เดี๋ยเป็นปนา n a ถวายได้เออเออเอเอ <c oughs> <c oughs> เอาถวายผ้าป่าบางทะกคนแล้วละพร ล, ละพรเนี่ยละพรก่อน ล, ละพรก่อนๆๆเอา <c oughs> ยะดาวาลิวังปุราปริปุเรนเถสาคะลังเอวเมวอโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสเมิยาโตซาเพพุเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยะถาโมนีโชธิราชโสยะถาซัพีติโย วิวาจานูสะปรโยควินัสตุมาเตภวัตวันดราโยทุกีตีขายุโกภวาอภิวาทานาสีดิสานิจังมุตตาปจาจิโนจตารโอธรมมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังภวาตุสะมังคลังราขันตุสพภเทวตาสพภพุทา อนุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต